ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเสด็จไปที่เมืองกบิลพัทเนี่ยนะไปบินธาบานตอนที่พระองค์ไปถึงเมืองกบิลพัทนั้นพระองค์ได้แสดงยงมะกัปาฏิหารแสดงมหาพุทธวงศ์ก็คือแสดงคำพีพุทธวงศ์หลังจากที่แสดงคำพีพุทธวงศ์จบเนี่ยนะฝนบกครพัทก็ตกลงมาเมื่อฝนบกครพัทตกลงมาพระองค์ก็แสดงพระเวสสันดรชาดก หลังจากนั้นเมื่อแสดงพระเวสสันดรชาดกจบหมู่พญาตทั้งหลายก็กลับเนี่ยนะกลับเข้าเข้าเมืองเข้าอะไรกันหมดไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะนิมนต์พระพุทธเจ้าฉันในวันรุ่งขึ้นรือหมายความว่าไม่มีใครนิมนต์ฉันในวันรุ่งขึ้นในพอเตือนเช้ามาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงอดีตว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเนี่ยเสด็จมาที่เมืองพระพุทธบิดาพระพุทธเจ้าองคอ์ก่อนๆเนี่ยประพฤติเช่นไร องค์ก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นจากเดินบิณฑบาตในในเมืองของพระพุทธบิดาทีนี้ระหว่างที่พระองค์เดินบิณฑบาตอยู่นั้นประชาชนก็ดูกันเนี่ยก็มีพวกทหารเป็นต้นเนี่ยก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าสุดโทธนะบอกว่าพระพุทธเจ้านี้กําลังเดินบิณฑบาตอยู่พระเจ้าสุดโทธนะนี่รู้สึกเสียหน้ามากเนี่ยนะว่าตัวเองนี่เป็นพระราชาใช่ไหมเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในในแคว้นนั้นทั้งหมด มีลูกชายแล้วก็ลูกชายเนี่ยมาเดินเที่ยวขอทานความรู้สึกนี่รู้สึกไม่ชอบเอามากก็เลยรีบลงมารีบลงมาจากปราสาทเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าการบินทบาตนี่เป็นเป็นวงน ะ, ะนะซึ่งเป็นวงที่อาตมาต้องจําเป็นต้องประพฤติพระเจ้าสุโธธนะก็บอกว่าวงของเรานี่เป็นวงกษัตริย์ไม่เคยขอทานบอกว่านั่นเป็นวงของมหาบาพิษ อันนี้เป็นวงของอัตมาภาพนะซึ่งวงของอัตมาภาพคือพุทธวงนี่นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ลุกขึ้นรับนี่นะนะหมายถึงว่าไม่ควรประมาทในปัจจัย4ี่ที่เขาถวายมาคําว่าไม่ประมาทหมายถึงโดยทั่วๆไปเนี่ยก็คือรู้จักประมาณในการสแสวงหาปัจจัย4รู้จักประมาณในการรับแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภค การบริโภคนั้นก็พิจารณาประกอบไปด้วยองค์8มีการบริโภคไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาเป็นต้นซึ่งที่ยกตัณหายกโภชนะขึ้นมาเป็นหลักนั้นที่ได้ยกโภชนะที่นั่นหมายถึงตัดใจสินตรงนี้ยกโภชนะเป็นเป็นหลักยกอาหารเป็นหลักถ้ากล่าวไปแล้วผู้ที่ทุศีลทั้งหลายเชื่อไหมทำบาปเพราะเหตุแห่งปากท้องซะส่วน ทำบาปเพราะโภชนาซะส่วนใหญ่แม้แต่หมู่ยาว่าพระพิสุเลยแม้แต่หมู่คารวาทั้งหลายเนี่ยนะอยากกินอาหารที่มันสดจริงๆก็ทํำยังไงก็เอาปลาเป็นๆมาตั้งใช่ไหมใครสั่งมาก็เชือดมาทีละทีละเนื้อแล้วก็ปล่อยไอตัวนั้นแหละยังอยู่ต่อไปก็คือใขรสั่งอาหารมาก็ไปแล่มาสักชิ้นหนึ่งเอามาทํากับข้าวไปก็เป็นปลาที่สดจริงๆ ซึ่งเพราะเหตุแห่งปากท้องเหล่านั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายทําบาปไม่ใช่น้อยทําบาปมากจริงๆบางคนนี่เห็นแก่ปากแก่ท้องมากนั้นทุกมือที่เขาบริโภคโดยมากเนี่ยปานอาติบาตอยู่เบื้องหลังสัส่วนใหญ่บางคนก็มีอะทินนาทานเป็นส่วนใหญ่พัน้าหากว่ามองชีวิตแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำบาปเพราะเหตุแห่งปากท้องเนี่ยมากจริงๆที่เท้าทําอกุศลเนี่ยนะเขาก็อ้างเหตุผลคือ บาปคือท้องอ้างเหตุผลคือโภชนาะอ้างเหตุผลคืออาหารก็เลยต้องทําบาปทําอกุศลนะซึ่งเป็นที่มาของมิจฉาอาชีพเป็นที่มาของทุจริตกรรมอย่างอื่นอีกมากก็อ้างเหตุแห่งปากท้องฉะนั้นโภชนาหรือปัจจัยสี่เนี่ยเป็นอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าตันหกปาทานหมายความว่าเป็นที่เกิดแห่งตั น, ตนหาตันหาอุปาทานเนี่ยถ้าเกิดขึ้นถ้าจะยึดก็ยึดใน โภชนะยึดในอาหารเมื่อยึดในโภชนะยึดในอาหารเนี่ยโภชนะเนี่ยเป็นที่มาแห่งความประมาทมัวเมาทัานบุคคลผู้ประมาทในโภชนะทั้งหลายก็บริโภคอาหารด้วยความมัวเมาความมัวเมาไม่ได้หยุดอยู่เท่านั้นใช่ไหมเดิมสุรามีไรเนี่ยโต๊ะไหนก็โต๊ะอาหารเนี่ยนะเดรฉานกระถาทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็โต๊ะอาหารนั้นคุยออกรสออกชาติมากตรงนั้นเนี่ยนะมันก็ ทั้งกายยัุจริตเคี่ยวด้วยอกุศลเป็นต้นใช่ไหมบางทีอาหารตัวนั้นต้องปานาณติบาสถ้าเป็นบางภาคนะเป็นๆ เ, เลยนั่นแหละบางทีก็ไปจุติในปากเกาไม่ใช่น้อยนะนีน่ฟันผู้ที่ติดใจในรสอาหารเนี่ยนะที่ถึงก็ยอมทำำํทากรรมทําอกุศลขณะที่บริโภคก็บริโภคด้วยบาปด้ว ย, วยอกุศลเมื่อบริโภคด้วยบาปด้วยอากุศลเหล่านั้นเนี่ยนะ ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นปเป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลหมูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยประมาทในอาหารมากในพาละบันดิตโรที่กล่าวถึงว่าคนพานทั้งหลายผู้ติดใจในรสอาหารเมื่อติดใจในรสอาหารเนี่ยนะก็ประพฤติความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยเพราะเหตุแห่งอาหารเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็เป็นสัตว์ที่มีหญ้าเป็นผักษาก็มี อนนันเช่นอะไรวัวควายกัเป็นต้นเนี่ยนะแพะพวกนี้ก็มีหญ้าเป็นผักษาบางพวกก็มีอุจจาระเป็นผักษาเนี่ยนะเช่นพวกไก่ไก่บางกลุ่มเนี่ยน ะ, ะบางแห่งนี้เขาเลี้ยงเลี้ยงหมูไว้ข้างบนฟาร์มหมูเนี่ยนะข้างล่างฟาร์มหมูจะเป็นน้ำเนี่ยนะเป็นน้าหรือข้างบนเนี่ยเป็นฟาร์มไก่ข้างล่างเป็นน้ำ เพราะเขาก็เวลาที่ไก่หรือขี้ไก่ขี้หมูเขาก็พัดลงน้ําก็จะเป็นที่มาของอาหารปลานิน น, นะปลาหนินทั้งหลายก็จะกินอุจระหมูเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเป็นอาหารของพวกนั้นบางทีก็เก็บอุจระหมูเหล่านี้เอาไว้ให้นอนมาเฟะเนี่ยนะมากินแล้วก็ปัดขี้หมูเหล่านั้นนะตกลงน้ําปลาก็จะได้กินพวกนอนพวกอะไรทั้งหลายต่อไปังนั้นหมูสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ผู้ติดใจในรถเนี่ยก็พยายามทําบา ป, ปรกรรม ทางกายบ้างทางวาจาบ้างทําทุจริตโดยประการต่างๆในที่สุดเพราะเหตุแห่งอาหารเหล่านั้นมีใจติดข้องในอาหารเหล่านั้นถ้าจุติควรจะไปเกิดที่ไหนอันบุคคลผู้ประมาทในโภชนะเนี่ยนะแม้กระทั่งพระพิสุท์ทั้งหลายยอมทําบาปทําอกุศลด้วยเหตุประการต่างๆผิดศีลผิดธรรมผิดวินยัยถึงขนาดประจบคารวะเป็นต้นเพื่อเหตุแห่งอาหารเนี่ยนะยอมรับใช้คารวะเป็นต้นทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัย ทำตัวเป็นหมอยาเป็นต้นเพื่อที่จะแลกกับอาหารเนี่ยนะก็ถึงทํากระทุศินอันพระองค์จึงกล่าวว่าไม่ควรประมาทในสิ่งเหล่านี้เพราะผู้ที่ประมาทในสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุแห่งความไปสู่อบายทุกขติวินิบาดนารกเนี่ยนะก็จากโคจรสแสวงหาอาหารซึ่งเบื้องหลังของอาหารมันก็คืออะไรมหาพูดก็เที่ยวสแสวงหามหาพูดหลงไหลถูกมหาพูดหลอกอยู่ตลอดเวลา ทีนี้ตรงกันข้ามถ้ามองแบบอาวะตะล่ะถ้าไม่ประมาทในอาหารก็เหมือนกับธรรมะครั้งก่อนใช่ไหมว่าผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์เขาต้องรู้จักประมาณในรู้จักประมาณในการแสวงหาอาหารรู้จักประมาณในการรับอาหารรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารบริโภคอาหารด้วยปัจเจกเนี่ยนะด้วยพิจารณาเพราะการปัจเวกอาหารเป็น กุศลศีลการเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็เป็นสมถะสมถะที่เป็นบาทของวิปัสสนาเป็นอย่างดีนะเป็นสมถะที่เป็นบาทของวิปัสสนาพันการพิจารณาอาหารเหล่านั้นเนี่ยในที่สุดก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะว่าผู้ที่พิจารณาอาหารโดยเฉพาะกับพลิงกราหารกับผลิงกราหารนี่เป็นเหตุใกล้ของอะไรขัน เป็นเหตุใกล้ของรู ป, ปรขันเมื่อพิจารณารู ป, ปรขันได้แล้วเนะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พิจารณาได้ยากนักเมื่อพิจารณาขันได้ทั้งห้าประการเหล่านี้นะสา ม, มารถที่จะรู้เหตุปัจจัยของขันห้ารู้ต้นสายรู้สมุดฐานของมหาพูดรู้ผสัสษะซึ่งเป็นสมุดฐานของเวทนาสัญญาสังขารรู้นามรูปที่เป็นสมุทฐานหรือเป็นเหตุใกล้ของ วิญญาณถ้าหมั่นวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าเหล่านี้ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ทีนี้ที่พระ อ, องค์บอกว่าพึงประพฤติให้สุดจริตเนี่ยนะพึงประพฤติให้สุดจริตก็ตรงกันข้ามว่าอย่าประพฤติ ท, ทุจริตนะเพราะว่าโดยปกติแล้วศาสตร์ทั้งหลายก็ทุจริตทางกายวาจาและใจใช่ไหมถามว่าทุจริตนี่เพราะเหตุแห่งอะไร ก็เพราะเหตุแห่งอาหารเป็นต้นเนี่ยนะบุคคลบางกลุ่มประพฤติทุจริตเพราะเหตุแห่งกับพลิงกระหานบางพวกประพฤติทุจริตเพราะเหตุแห่งผัสสารถามว่าประพฤติทุจริตเพราะเหตุแห่งภัสสาหารเป็นยังไงกลุ่มกาเมสซมิชฌาจาร์เป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นคือกลุ่มประพฤติผิดในผัสสาหารหรือแม้กระทั่งมโนสันเจตนาหานะกลุ่มที่เป็นไปกับอกุศลวิตกทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะ พวกนั้นก็ทุจริตที่เป็นไปกับมโนสัญเจตนาหารกายะทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตรงตร ง, ตรงที่เป็นตัวกรรมก็คือมโนสัญเจตนาหารนั่นแหละท่านพวกจิตทั้งหลายสาัตว์ทั้งหลายก็ประพฤติผิดมันไม่ควรประพฤติให้ทุจริตในเสียงเหล่านี้ควรประพฤติให้เป็นสุจริตทาอย่างไรหนอที่เราจะมานสิการถึงอารมณ์ทุกอารมณ์ด้วยสุจริตเนี่ย เธอทุกๆอย่างเนี่ยนะวัตถุใดเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตวัตถุนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งสุจริตเราสามารถไปเกี่ยวข้องกับแต่ละคนเนี่ยประพฤติทุจริตได้อย่างไรเช่นเพื่อนสนิทของเราเนี่ยนะเราประพฤติทุจริตเขาเพราะอะไรเรื่องอะไรเพ้อเจ้อไงเจอหน้ากันก็เพ้อเจ้อเลยเนี่ยสุจริตหรือทุจริตก็ทุจริตเวลาคิดถึงก็คิดถึงด้วยอภิชาเป็นต้นเนี่ยนะ ถ้าคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็พุสวาจาคิดถึงด้วยพยาปาทะหรือโทสะพันธ์การประพฤติแบบนี้ประพฤติด้วยอํานาจทุจริตกรรมซึ่งแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยถ้าเรามานัสิการเอ า, าลองมาไล่ดูถ้าเราไม่ฝึกเจริญเมตตาเอาไว้ให้ดีเนี่ยนะไม่น้อไปเจริญเมตตาให้บุคคล น, นั้นอะ่ะเช่นให้พ่อแม่มีความสุขมีอายุยืนให้พี่ให้น้องให้หมู่ญาติให้เพื่อน ให้คนที่เราเคารพให้สัตว์ทั้งหลายในทิศข้างหน้าทิศข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาถ้าไม่ฝึกเจริญเมตตาไว้อย่างนี้เนีเราก็แผ่จิตไปในทิศ ต, ต่างๆด้วยโทสะเนี่ยนะเราก็คิดถึงไหมเพราะเราจะคิดถึงบุคคลส่วนบางคนนึกแล้วไม่สบายใจอันนั้นก็เป็นโทสะก็นึกด้วยอำนาจของโทสะซึ่งไม่ควรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการประพฤติเช่นนั้นเป็นผู้จริตถ้าเราไม่เจริญอาการ32พิจารณาภายนอกบ้าง จิตของเราก็จะโคจรในวัตถุภายนอกด้วยอํานาจราคะเนี่ยนะถ้าไม่พิจารณาปฏิจจสมุปบาทตามทวารต่างๆของบุคคลต่างๆให้ให้เป็นไปได้ดีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องความประพฤติของเราทั้งหลายก็เป็นไปกับโมหะโมหะเหล่านี้ถือว่าเป็นบาปเป็นสมุธฐานเป็นอาหารของอวิชชาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเพราะนั้น ความประพฤติใดที่มีราคาเาะเป็นสมุทฐานมีโทสะเป็นสมุทฐานมีโมหะเป็นสมุทฐานความประพฤตินั้นๆนี้เป็นอะไรเป็นทุจริตเนี่ยนะมันก็ไม่ควรประพฤติให้เป็นอย่างนั้นประพฤติให้เป็นสุจริตเนี่ยนะกำจัดโทสะด้วยด้วยศีลหรือด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นก็ต้องประพฤติสุจริตกําจัดโทสะด้วยศีลและกุศลคิดถึงบุคคลอื่นอย่างไรด้วยกุศลที่เป็นศีล เราก็ต้องหมั่นพยายามนะว่าวันหนึ่งเราจะต้องสนทนากับหลายคนไอ้ตัวนี้เป็นด่านอันแรกก่อนว่าเราจะพูดกับเขาอย่างไรโดยที่ไม่เป็นทุจริตเ น, นะเพราะเราไปทําบาปกับหลายคนนะหลายๆคนที่เป็นอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นประตูแห่งบาปของเราไม่ใช่น้อยถ้าถ้าเรานึกนะพวกนั้นเป็นอา ร, รมณ์ปัจจัยของบาปเราจริงก็เราไปคิดเป็นบาปกับเขานั่นแหละ คิดเป็นบาปเป็นยังไงก็คิดตําหนิบ้างคิดมีฉันทราคาบ้างไม่เอาวัตถุนั้นมาพิจารณาบ้างอันนี้ก็โคโจรด้วยอำนาจราคาโทสะเพราะในวัตถุนั้นนั้นเราไม่อบรมให้เป็นไตรสิกขาไม่เจริญไตรสิกขาในแต่ละอารมณ์เมื่อไม่เจริญไตรสิกขาในแต่ละอารมณ์ก็มีการประพฤติทุจริตอั้นความประพฤติสุดจริตเนี่ยนะกายวาจาก็เป็นศีละสิกขาตัวจิตเนี่ยนะอนาพิชาอัพยาบาทก็เป็น จิตตศึกษาสัมมาทิฏฐิก็เป็นปัญญาศิกษาพัางก็ควรอบรมกุศลธรรมเหล่านี้ให้เป็นไปเนี่ยนะให้เป็นปกติว่างั้นเพราะว่าผู้ที่ประพฤติสุดจริตได้ในทุกอารมณ์โลกนี้ก็เป็นสุขสุขอย่างน้อยเห็นชัดกิเลสของบุคคล น, นั้นไม่รบกวนเนี่ยนะราคะไม่กลุ่มรุมโทสะไม่กลุ่มรุมโมหะไม่กลุ่มรุมบาปอากุศลก็ไม่กลุ่มรุม ก็กลายเป็นผู้ที่มากไปด้วยอโลพาอาโทสะและอโมหะนั้นอโลภาอะโทสะอะโมหะถ้าเป็นสมุทฐานกายวาจาใจก็เป็นสุจริตนั้นผู้เพรพสุจริตเนยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะชีวิตตอนนี้ก็เป็นสุขละชิดดูนะว่าชีวิตของเราทั้งหลายที่เดือดร้อนกันเนี่ยเดือดร้อนตอนเดือดร้อนเพราะอะไรเดือดร้อนเพราะทุจริตกรรมทั้งนั้นเลยที่เรามาเดือดร้อนนะนั่งไม่สบายใจเนี่ย รู้สึกแม้กระทั่งว่าชีวิตผ่านไปผ่านไปดูไรสาระบ่อยๆนึกแล้วก็ไม่เห็นปราบเริ่มอะไรเลยนั่นเป็นผลของทุจริตกรรมรู้ตัวก็ตามว่าเป็นทุจริตไม่รู้ตัวก็ตามว่าเป็นทุจริตมานั่งแล้วเดือดร้อนใจในภายหลังให้รู้เถว่านั่นเป็นผลแห่งทุจริตอยสมมตินะง่ายๆผู้การมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้านนึกถึงความหลังแล้วไม่สบายใจ ให้รู้ว่านั่นเป็นผลของทุจริตไอตัวไอไอวัตถุนั้นนั้นที่นึกแล้วไม่สบายใจอ่ะนะขณะนั้นนั้นเป็นไปกับทุจริตถ้าสุจริตจะไม่วิปติสารโดยประการทั้งปวงถ้าแม้กระทั่งของเราทุกคนก็ลักษณะเดียวกันนะนึกถึงชีวิตที่ผ่านมาไม่สบายใจเลยบางคนก็นึกว่าทําไมเนาะไม่ได้ศึกษาธรรมะตั้งแต่วัยอายุน้อยๆเป็นต้นเนี่ยนะหลายคนเขาก็ปลาดรบลักษณะนี้ ก็คือเข้าน้อมว่าไอ้สมัยนั้นเป็นไปกับทุจริตเมื่อเป็นไปกับทุจริตนึกแล้วก็เดือดร้อนใจพันความเดือดร้อนใจทั้งหลายที่ไปทำความชั่วทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างเป็นไปกับราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างชีวิตที่ผ่านมาละลึกแล้วก็เป็นเป็นทุกข์ะนะถามว่าผลของสิ่งเหล่านั้นต่อไปควรจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์อีกแต่ถ้าประพฤติรมโดยสุจริตต่อไปล่ะ เนี่ยนะก็เป็นสุขระลึกถึงแล้วก็เป็นสุขวิบากที่จกมีต่อไปก็เป็นสุขพันสุขทั้งโลกนี้ด้วยสุขทั้งโลกหน้าด้วยเนี่ยนะก็สุขทั้งที่เป็นโลกิยะแล้วก็สุขทั้งที่เป็นโล ก, กุตระเนี่ยนะพันหลังจากจบคาถามนี้บรรลุเป็นอะไรพระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยนะความบริบูรณ์ของพระโสดาบันจรงิจรงๆอยู่ที่ประพฤติสดจิตของเราหลายท่านศึกษาพระธรรม ศึกษามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความรู้มากขึ้นแต่สุดจิตไม่ดีขึ้นเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นโทระง่ายขึ้นเขาบอกว่าบางคนเนี่ยชอบที่มักเจริญสมาธินะเป็นคนมักโกรธก็เลยเป็นที่มาของศั์แสลง น, นะนะกรรมฐานขี้โกรธสันโดษก็ขี้ขอวิปัสสนาก็บ้าโยเขาว่า่างนั้นนะ ซึ่งเออก็จริงสมมติถ้าใครที่เป็นนักฝึกสมาธิดูนะก็ลองใครมากวนแถวๆข้างๆนะโอ้โหลุกขึ้นดานะสุดยอดเลยะนะแกเปนคนที่ด่าเก่งมากเนี่ยนะพุศวาจารุนแรงมากเนี่ยคือกรรมฐานถ้าเจริญไม่ถูกกลายเป็นคนที่โกรธคนอื่นคือคนผิดหมดที่ที่มากวนให้ฉันฟุ้งซ่านอ่านะใครก็ตามที่มาช่วยให้ฉันฟุ้งซ่าน ทำให้ฉันรําคาญคนนั้นจะมีความผิดโทษประหารทั้งหมดเนี่ยนะเป็นผู้ร้ายมากในความคิดของบุคคลนั้นทัา น, นก็เคยกลุ่มเป็นกรรมฐานที่มักโกรธเนี่ยนะใครมากวนหน่อยก็ไม่ได้ตอนที่ไม่ศึกษาธรรมะก็เป็นคุณยายที่ใจดีใจดีลูกหลานก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่พอเริ่มฝึกกรรมฐานบ้างนั่งสมาธิบ้างด่าล้านเก่งขึ้นโวยวายมากขึ้นอะไรมากขึ้น ก็สำรวจดูนะว่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะก็มีไม่ใช่น้อยที่เป็นอย่างนั้นก็เลยสับแสลงก็เลยไว้ตําหนิว่าเออกรรมฐานนี่มันก็ขี้โกรธเหมือนกันเนาะอย่านี้สันโดดก็มักน้อยแต่ว่าขอบ่อยเหลือเกินเนี่ยนก็ขอแล้วขอเล่าขอแล้วขอเล่าจนว่าไม่กล้าจะเจอหน้าเจอหน้าไม่รู้จะขออะไรอีกก็ไม่รู้แต่ว่าแต่พูดแต่ละคําก็คือรู้จักพอรู้จักอะไรเนี่ยคำพูดเนี่ยมีแต่พอหมดแล้วแต่ว่าขอไปเรื่อย นนี้ก็สับแสแลงของที่มาอีกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวิปัสสนานี่บ้ายอก็ชอบพูดสิ่งที่ตัวเองเจริญให้คนอื่นฟังคนอื่นจะได้ชมไงถ้าพูดไปแล้วเขาไม่ชมเลยหมายถ้าไมมันเป็นอย่างไงวะเนี่ยนะก็ก็เลยเรียกถ้าเขาชมน่อก็ฟูเป็นลูกโป่งเลยพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้ น, นก็เออมาคิดนะเขามาจำำําคํานี้มาได้ส่กกาปีแล้วก็เอาไว้ตรวจดูเออจริงเนี่ยนะก็ก็ เอาไว้พ่อเราก็สมาทานมาขอเราอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยพอเจริญไปเจริญมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราประพฤติสุดจริตน้อยลงเนี่ยนะคำพูดก็จะเป็นไปเพื่อคือคนที่ที่ศึกษาพระธรรมที่ไม่ตั้งใจให้ประพฤติสุดจริตเนี่ยนะพูดแล้วจะเบียดเบียนตนถามว่าเบียดเบียนตนยังไงพูดแล้วเนี่ยนะตัวเองมานะมากขึ้นอกุศลมากขึ้นถามว่าเบียดเบียนตนไหมเบียดเบียนตน ไม่มีใครกล้าเตือนเลย น, นะถ้ายิ่งฉลาดมากยิ่งคนอื่นเตือนไม่ได้เลยรู้ไปสมหมดเนี่ยนะเขาพูดมาคำหนึ่งรู้แล้วเนี่ยนะรู้ไปสมหมดเลยจนคนอื่นเขาเตือนไม่ได้แทนก็อันนี้ก็เป็นความทุจริตอย่างหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็พูดสรรหาคาพูดที่เรียกว่าพาพุทธพจน์ที่อีกคนหนึ่งฟังแล้วต้องเจ็บใจที่สุด น, นะที่เขาต้องนี่นะเป็นไม้ตายของเราเลยนะ เป็นคมที่จะทิ่มให้มันตัดขั้วหัวใจได้ทีเส้นเลือดสามเส้นขาดเลยแหละสรรหาคําประเภทนั้นมาใช้กันผ้าพุพทธพ์เหล่านั้นมาใช้กันซึ่งขาดความเมตตาทั้งตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็เป็นไปกับบาปและอกุศลเหมือนมีความรู้สึกว่าชั้นชนะที่ชั้นได้พูดเป็นคนสุดท้ายเ น, นี่ยนะนะพันก็อันนี้ก็มีความเสียหายพันประพฤติสุดจริตก็ น้อยลงท่้นที่มาของว่าผู้ศึกษาพระธรรมในยุคหลังๆเนี่ยนะทำไมบางกลุ่มไม่ศึกษาพระธรรมเนื่องจากคนในประพฤติไม่เป็นธรรมเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าที่เขาไม่ศึกษาธรรมะเพราะเห็นคนที่ศึกษาก่อนไม่รู้สึกว่ามีความสุขอะไรเลยทําไมเริ่ตั้งแตเห็นศึกษาธรรมะ ม, มีแต่เดือดร้อนมากขึ้นเดือดร้อนมากขึ้นทําไมเขาเป็นอย่างนั้นโทสะมากขึ้นหงุดงิดง่ายขึ้นมานะมากขึ้นถือตัวมากขึ้น แม้กระทั่งเรียกว่าสนธน า, าภาษามนุษย์ยังไม่ได้แล้วเนี่ยนะสนธน า, าภาษามนุษย์ภาษากุศลกรรมบทเนี่ยพูดไม่เป็นนะเนี่ยนะพูดมีแต่ระดับสูงจะออกทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าไม่ใช่แล้วก็อันนี้ก็คือเนื่องจากว่าศึกษาไปศึกษามาประพฤติสุดจริตน้อยลงห ล, ลายแห่งเนี่ยนะที่ที่ของมาไม่ทราบอากุศลวิบากอะไรไม่ทราบจะต้องไปเจอในลักษณะนั้นไม่ใช่น้อย ไม่ใช่น้อยในที่สุดสัมเภพลิมนั้นก็แตกหมดนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาขาดเมตตากันจะพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งไม่ด้วยความเคารพอะไรเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่วัดแห่งหนึ่งรู้สึกประทับใจมาจนถึงทุกวันวัดนั้นเข้าระพฤติจารานิยจะทำกันดีเขาจะพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความเคารพเออเขาพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความเคารพเขายกย่องกับกับคนที่เขาพูดถึง เช่นสมมติว่าพระสัมมนเนรรูปนี้พูดถึงสัมมนเนรรูปนั้นบอกพระคุณเจ้ารูปนั้นนะท่านมีศรัทธานะนนนก็คือพูดลักษณะนั้นอ่ะเขาก็โมทนาการมุทิตากันอะไรกันเขายินดีต่อกันที่ที่เขาเหล่านั้นได้ประพฤติธรรมมุทิตาอนุโมทนากับผู้ประพฤติธรรมอันนี้เป็นเมตตาวจีกรรมลับหลังนะก็บางทีถ้าคุยกันต่อหน้าก็เรียกกันด้วยความเคารพเนี่ยนะเรียกกันด้วยความเคารพ อันนั้นก็เป็นเมตตาวจีกรรมต่อหน้ากายกรรมต่อหน้าก็มีเมตตาต่อกันเมตตาวจีกรรมต่อหน้าก็ทั้งกายกรรมวจีกรรมเมมโนกรรมก็เหมือนกันอย่างเมตตามนโนกรรมรับหลังก่ที่ผู้การว่าเนิ่งถึงกลุ่มที่ศึกษาที่นี่แล้วก็มีเมตตาด้วยนะเจริญเมตตาให้ได้อย่างสบายใจอันนี้ก็เป็นเมตตามโนกรรมรับหลังนะนเ ฉันเมตตามโนกรรมที่มีควรจะมีต่อหน้าเมตตามโนกรรมทั้งที่รับหลังหวังดีปรารถนาดีขี้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่เจริญเมตตากันอย่างนั้นอะไรเกิดมานะเกิดเนี่ยนะคือพวกอิทธารมทั้งหลายแม้แต่กุศลศีลเนี่ยนะกุศลศีลก็เป็นอาหารที่อริดอร่อยมากของมานะเนี่ยนะพวก เรียว่านะเวทนาสองในในธาตุสามเนี่ยนะเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาทั้งปยรูปสาตรูปเป็นต้นเป็นอาหารอย่างดีของมานะถ้ามากไปด้วยมานะขาดอะไรขาดเมตตาจะพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเปรียบเทียบถ้าชั้นแรกๆกต้นๆจะเปรียบเทียบก่อนเขาก็นีนะนะแต่พอเปรียบกันบ่อยๆเข้ามันก็เท่านั้นแหละอันนี้อะไร พัฒนาไปเป็นอติมานะเนี่ยนะมันก็เท่านั้นแหละมีอะไรหรอกเนี่ยนะอันนี้เป็นลักษณะจะพัฒนาเป็นอติมานะ้นจะไม่พูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความชื่นชมความประพฤติ ช, ชอบในโลกเนี่ยนะจริงๆพรหมมิหารก็ถือว่าเป็นความประพฤติ ช, ชอบคือถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปทำไมไม่คิดให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขเนี่ยนะทำไมไม่ปารภห้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขซึ่งเป็นเมตตาแต่ถ้า ทุกคนมันก็มีส่วนเลวอะนะมันก็ไม่มีใครถ้าจะดีจริงๆเจริญอนุสติะนะถ้าอยากหาคนดีมาคิดนะเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสตินึกถึงภาษาริบุตรพระโมกขาลานะพระมหากัสปะถ้าจะหาคนดีคิดนะแต่ไม่ต้องไปเรียกหาความดีในหมู่ปุถุชนทั้งหลายให้มากเกินไปเขามีดีอยู่บ้างนี่ก็ดีกับเขาไปเถอะเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่พ ร, าารนะอรหันต์อะ ทีนี้เราก็จะไปยัดเยียดไอ้คุณทำความเป็นผ้าอรหันให้กับคนนั้นทีหยิบยื่นให้คนนั้นทีจะหยิบยื่นให้ความดีสมบูรณ์อยู่กับบุคคลทั้งหลายถามเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็นึกถึงก็จะเห็นความไม่ดีของเขาไอ้ความไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยเป็นวัตถุแห่งกรุณาเนี่ยนะเพาเป็นอะไรเป็นอกุศลมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์เราละลึกถึงบุคคลเหล่านั้นควรจะเป็นกรุณา ถ้าเขามีส่วนดีก็รู้สึกมุทิตาไปกับเขาถ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยอุเบกขาเขาก็มาด้วยบุญด้วยกรรมของเขานะเขาทำดีเขาทำชั่วเราไม่มีไม่เป็นภาระอะไรเลยจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตเขาเรามีส่วนจะต้องไปหาเลี้ยงดูทวารหกของเขาไหมเราต้องไปรับผิดชอบครอบครัวเขาไหมเราต้องไปรับผิดชอบชีวิตเขาไหม ถ้าเขาเสื่อมลงเนี่ยเรามีส่วนเสียอะไรกับเขาไหมเขาก็ไปด้วยกรรมของเขาจริงๆแล้วเราจะไปทําอะไรเขาได้เมื่อเขาไปด้วยกรรมของเขามาด้วยกรรมของเขาแล้วเราละ่ะเราก็มาด้วยบุญด้วยกรรมของเรามาด้วยบุญด้วยบาปของเราเราก็จะไปด้วยบุญด้วยบาปของเราเหมือนกันเพรฉะนั้นเขาคือตรงนี้ที่เราจะต้องมีความเคารพซึ่งกนันและกันเขาก็มนุษย์เราก็มนุษย์นะเขาก็ไม่มีบุญจริงเขาไม่เกิดเป็นมนุษย์หรอกนะ แต่เขาไม่มีบุญจริงเขาตายไปแล้วเนี่ยเพราะผลของศีลเขาดีนะเขาจึงมีอายุยืนยาวนี่เขาเว้นจากการรักทรัพย์นะเขาจึงมีทรัพย์ใช้สอยจนถึงทุกวันเขายังมีมิตรมีเพื่อนก่อนนี่เพราะผลของไม่กาเมีสุมิชฌาจารย์ใครก็ไม่พูดมาพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์พูดกับเขาไปด้วยเมตตาอันนี้ก็แสดงว่าเขามีบุญเก่ามาเขามีส ต, ติมีปัญญาไม่เลอะลืมไม่เลอะเลือนไม่ฟั่นเฟือนก็แสดงว่าอดีตเขารักษาศีลไว้ดี เขาก็มีสิทธิของเขาที่เขาจะได้สเสวยความสุขในปัจจุบันวั้นเราก็ไม่จําเป็นอะไรต้องไปขอแบ่งบาปเข้ามาเลยเนี่ยนะเราก็ไปเที่ยวแบ่งบาปเข้ามาไปหยิบอ่าขอหยิบไปดึงบาปจากคนนั้นมาหน่อยหยิบบาปจากคนนี้มาหน่อยเลยละลึกถึงคําสอนไม่ได้ในวัตถุทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าประพฤติทุจริตไปเที่ยวประพฤติทุจริตในอารมณ์ดีน่าไม่จุติตอนนั้น จติตอนนั้นละเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าหมั่นละลึกให้เป็นคําสอนเป็นไปกับอารมณ์ต่างๆอันนั้นเป็นก็เป็นสุจริตฉั้นควรประพฤติให้เป็นสุจริตถ้าไม่เพฤสุจริตผู้ประพฤติทุจริตก็เดือดร้อนทั้งโลกนี้เดือดร้อนทั้งโลกหน้าเมื่อวานเห็นไหมเกาแคลกแคๆกแคลกเยอะน่นนะนั่นะ น, นะเห็นเกคลกแคลกๆคลกเยอะนะเยอะมากนะนะก็ๆๆๆๆนี่นะ ผลของอะไรพันคิดหน้าคิดเรื่องหนึ่งนะค่าเราพูดให้เขาคันยิบยิบๆๆยิ บ, ย บ, ย บ, ยบเนี่ยนะเราก็จะมีส่วนแห่งความคันเหล่านั้นด้วย